สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในคิดเปเรซูตอนที่สี่ร้อยสามสิบเก้าเรื่องคริสเตียนฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับมีหลายคนถามบอกว่าเออเราบังเกิดใหม่แล้วเราจะเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังได้อย่างไรพี่น้องครับมีหลักฐานในพระวจะนะพระเจ้านะครับในพระธรรมหนึ่งโคริน พระธรรมหนึ่งโครินนั้นเป็นพระธรรมที่ทั้งอัครฑูตเปาโลได้เขียนไปหาคึ้นเตียนชาวเมืองโครินที่เขาได้กลับใจใหม่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเขาได้รับพระวิญ ญ, ญาณมีพระวิ ญ, ญญาณอยู่ในชีวิตนะครับแต่ให้มาดูกันนะครับสิ่งน่าสนใจที่ท่านอาจารย์เปโอลเขียนไปถึงคึ้นเตียนชาวโครินในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สาม <c oughs> ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่หนึ่ง ถึงข้อที่สี่นะครับโปรดฟังโระชนะของพระเจ้าหนึ่งโครินบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่ที่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อาจพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคลิปข้าพเจ้าเลี้ยงท่านด้วยน้ํานมมิใช่ด้วยอ่านแข็ง เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านยังไม่สามารถรับแต่ถึงแม้เดี๋ยวนี้ท่านก็ยังไม่สามารถด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะว่าเมื่อ ย, ยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกันท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือและไม่ได้ประพฤติตามมนุษย์สามัญดอกหรือเพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโลและอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอพอลโล ททั้งหลายมิได้เป็นมนุษย์สามัญหรือพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ลึกซึ้งมากและเป็นเชิงตําหนิครับเชิงการแก้ไขให้ถูกต้องที่พวกเขาจะต้องทำอักขรุเปาโลได้เขียนอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องทั้งหลายมีความหมายว่าพวกเขาเป็นผู้เตียนหมดครับพวกกระเหรี่ยงผู้เชื่อพวกเขาได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว พ ร, ระอาจารย์บลเขียนอย่างนี้ครับว่าข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้แสดงว่าชีวิตของพวกเขานั้นแม้ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนแม้ว่าเขาจะบังเกิดใหม่แม้ว่าเขาจะรับบัพติศมาด้วยพร่วิญญาณบริสุทธิ์แล้วแต่เขาไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณแสดงออกมาท่านกล่าวต่อ น, นี้ครับว่าแต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เนี่ยครับเป็นที่มาของคําว่าคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังกับคริสเตียนฝ่ายพระวิญญาณหรือคริสเตียนฝ่ายวิญญาณอาจารย์บโรเห็นความจําเป็นที่พวกเขาจะต้องแก้ไขชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องพัฒนาชีวิตจนกระทั่งท่านต้องพูดออกมาตรงๆครับว่าอย่าทําตัวเหมือนกับคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เพราะคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังนั้นก็คือทารคในพระคติอาจารย์บัลลูพูดต่อครับว่าข้าพเจ้าเลี้ยงท่านด้วยน้ำนมมิใช่ด้วยอาหารแข็งอันนั้นคือเลี้ยงแนดิตครับเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านยังไม่สามารถรับรับนี่หมายถึงรับอาหารแข็งได้ต้องกินน้ำนมไปก่อนและท่านพูดต่อว่าแต่ถึงแม้เดี๋ยวนี้ท่านก็ยังไม่สามารถรับหมายความว่าไงครับก็คือว่าเป็น เท่าทาโรกครับก็คือเป็นผู้ที่มีอายุนะฮะมากมากนี่หมายความว่าอายุหลังจากที่รับเชื่อพระเจ้ามาแล้วเนี่ยมานานนะครับรับเชื่อมานานแต่ไม่สามารถรับอาหารแข็งได้ต้องรับน้ํานมเพราะอะไรครับเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยยังเป็นคริสเตียนยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังในข้อที่สามครับถามว่าคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังเป็นยังไงครับ ก็คืออิจฉากันขัดเคืองใจกันเนี่ยครับอยู่ฝ่ายเนื้อหนังแก่งแย่งจริงดีกันแบ่งพักแบ่งพวกกันพราะในข้อที่สี่บอกว่าเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโลอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอัปปโลและท่านอาจารย์เปาโลนั้นท่านได้ถามว่าท่านหลายไม่ได้เป็นเพียงมนุษย์สามัญหรือนั่นหมายความว่าเป็นพวกฝ่ายเนื้อหนังครับเป็นชาวโลกพี่น้องครับ การที่เราแตกแยกกันนะครับในคธศัจจหรือการที่เรานั้นเป็นพี่น้องกันแต่ไม่ไว้วางใจกันไม่มีสามาัคคีธรรมอย่างแท้จริงเราก็ไม่แตกต่างอะไรจากคนภายนอกในขณะที่เรานั้นจะต้องเติบโตนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าครับแต่เมื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตสิ่งที่สาคัญก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนจากทารก นะครับให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแล้วต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อนหนังให้มาเป็นชีวิตคริสเตียนฝ่ายพระวิญญาณแล้ถามว่า ท, ทํายังไงครับผมอยากจะบอกว่าชีวิตคริสเตียนฝ่ายวิญญาณ น, นั้นก็คือชีวิตคริสเตียนที่จะต้องเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริรสุทธิ์เสมอเสมออาจารย์มาโลนัานได้กล่าวตำหนิคริสจักร โครินแม้ว่าพวกเขานั้นจะรับอาปิสมาด้วยเพิ่มเย่ยนเบืสองฉุดแล้วแม้ว่าเขามีของประทานเยอะแยะมากมายครับในหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดอาจารย์เบรโรท่านเขียนครับว่าท่านทั้งหลายมิได้ขาดของประทานเลยเห็นไหมครับของประทานตรงนี้จะเป็นของประทานนะครับฝ่ายวิญญาณก็คือเป็นอะไรที่สามารถทําการเหนือธรรมชาติได้มีมีอะไรที่ สามารถทำเหนือธรรมชาติได้ก็มีหรือของประทานปกตินะครับจะเป็นความสามารถเป็นทักษะเป็นทรัพสมบัติเป็นเงินทองเป็นความรู้ต่างๆเป็นประสบการณ์ที่พวกก็มีฝ่ายโลกนี้นะครับพระเจ้าก็ใช้เป็นของประทานได้ของประทานทั้งสองประเภทก็คือของประทานที่อยู่ฝ่ายกายภาพและของประทานที่อยู่ฝ่ายวิญญาณพวกเขามีเต็มครับมีเยอะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญ ญ, ญาณเรื่องนี้สําคัญนะครับของประธานนะครับไม่ว่าของประทานฝ่ายกายภาพหรือของประทานฝ่ายวิญ ญ, ญาณ น, นั้นไม่ได้สอดคล้องเกี่ยวเนื่องแปรผันตามกับนะครับแปรผันตามกันกับการมีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์อย่าไปคิดว่ามีของประทานเยอะแล้วจะมีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้อง อย่าเข้าใจผิดครับก็ละเรื่องกันและด้วยเหตุนี้เองในพระธรรมยอห์นพระเยซูก็พูดชัดครับใครก็ตามที่มาหาพระเยซูและดื่มพระเยซูบอกว่าผู้ที่วางใจในเราแม่น้ำที่มีน้ำทำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นนี่อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่เจ็ดข้อที่สามสิบแปดสามสิบเก้าครับ เพื่อครับตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าแม่น้ํำทำงชีวิตหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือน้ํำทำงชีวิตหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะในข้อสามสิบเก้าพระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณครับย้อนบันทึกอย่างนี้สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับเพื่นครับตรงนี้ผู้ชัดเจนครับ หากว่าเราเองนั้นปรารถนาที่จะเปี่ยมล้นด้วยเพิ่มยานบริสุทธิ์เราจะต้องกลับมาที่พระเยซูครับเพราะพระเยซูนั้นส่งท้าชัฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่ออยู่ในเราก็จะสามารถเปี่ยมล้นด้วยเพิ่มยานบริสุทธิ์ได้และอะไรครับที่ทําให้เราเปี่ยมล้นด้วยเพิ่มยานบริสุทธิ์ได้คําตอบก็คือการกลับใจใหม่การสารภาพบาป กลับไปสู่จุดเริ่มต้นก็คือความพร้อมที่จะสารภาพบาปความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบความพร้อมที่จะตรวจสอบตัวเองความพร้อมที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นดาเนินการตรวจสอบโดยผ่านทางพระชนะของพระเจ้าชีวิตริสเสียนในโลกนี้นะครับจะมีการตรวจสอบก็คือการตรวจสอบโดยพี่น้องของเราและการตรวจสอบโดย พระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าแค่สองสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากปัญหาของเราก็คือว่าหลายครั้งนั้นเราถ่อมใจไม่พอถ่อมใจไม่พอที่รับการตรวจสอบจากพี่น้องในพระคริสต์ถ่อมใจไม่พอที่รับการตรวจสอบจากพระวจนะของพระเจ้าเมื่อใครก็ตามที่เอาตัวเองเป็นใหญ่อีโก้ หรือเอาตัวเองมาเป็นที่หนึ่งไม่มีความถ่อมใจชีวิตของคนนั้นก็จะเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังและเขาจะไม่สามารถเปรี่ยมล้นด้วยพระบัญญาณบริสุทธิ์เพราะท่าทีที่ไม่กับใจใหม่ของเขานั่นเองขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในเช้าวันนี้ที่เราจะถ่อมใจลงจะตรวจสอบชีวิตของเราโดยคำพูดโดยการหนุนใจโดยการเตือนสติ ของพี่น้องที่รักเราในขณะเดียวกันเราต้องใช้พระชนะของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับพระชนะของพระเจ้านั้นจะเป็นมาตรฐานการตรวจสอบอย่างดีครับจะ ต, ต้องถามก่อนครับว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เรายินดีที่จะเชื่อฟังพยัญชนะที่ตัดผ่านพระชนะของพระองค์หรือไม่เรายินดีที่จะ เปลี่ยนแปลงพัฒนาชีวิตของเราให้กลายเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณหรือเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณหรือไม่ด้วยความรักและความเมตตาของพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะยอมถ่อมใจยอมสารภาพยอมกลับใจใหม่ยอมเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่และที่ใครก็ตามที่ยอมเช่นนั้น การเปลี่ยนล้นที่เป็นยามสุดจะเกิดขึ้นเมื่อเราสารภาพเมื่อเราทูลขอาการเปลี่ยนล้นการเปลี่ยนล้นจะมาถึงชีวิตของพวกเราทันทีอาเมน